วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเพนแต่ตามไม่จริงทุกปีวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่ปีนี้เป็น 8, แปดสองหนก็เลยวันมาฆบูชาคงจะไปเป็นเดือนสีน่เพนเป็นเดือนหน้าเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันพระธรรมดา เป็นถ้าจะว่าไปก็คือเป็นวันเดือนสองเพนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาห้าศูนเป็นวันอุโบสถของพวกเราพวกเราก็ได้ลงอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันอุโบสถอย่างนี้ในหลัก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 เรื่องหลักพระธมีนัยาว่าองค์ไหนเป็นยังไงมีความเข้าใจยังไงไม่เข้าใจยังไงก็จะได้ซักไซไลเลียงถามแล้วก็หลักพระธรมินัยทําไมเพราะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติผู้บวชเข้ามาสุดท้ายภายหลังก็จะต้องได้ฟังจะต้องได้ศึกษาต้องอาศัยผู้รุ่นพี่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 อันนั้นพวกเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ายุคสมัยนี้ท้องถิ่นของเราไม่มีอย่างภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมพวกเราอาจจะไม่เข้าใจสันทัดนั้นคืออะไรขนเจียมนั่นคืออะไรไหมพอจะเข้าใจได้พราเส้นไหมสันทัดก็คืออาสนะที่นั่ง ซอยส้นทัดด้วยขนเจียมเตือวด้วยไหมต้องนิสสกียปายจิตีภิกษุหลอส้นทัดด้วยขนเจียมดำล้วนอต้องนิสสกียปายจิตีคือศีลของพระทั้งหมดเตัวนี้เราก็ไม่จําเป็นเพราะเราไม่ได้จําเป็นจะต้องได้ใช้เหมือนยุคสมัยนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้เราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อื ภิกษุรอชั้นถัดที่จะรอชั้นถัดใหม่ควรตัดชั้นถัดเก่าโดยรอบมาปนลงในชั้นถัดที่รอใหม่เพื่อจะทําลายให้สีเสียถ้าไม่ทําอย่างนี้ต้องนิจะคียปาปาจิตตินะอันนี้ก็คือถ้าเราศึกษาเราอาจจะไม่เข้าใจยุคนั้นท่านทําไมจึงเน้นหนักจุดนี้มากนักเพราะว่าเป็นพระวินัยตามยุคตามสมัยแต่ยุคนี้สมัยนี้เราไม่จําเป็นเพาะงั้นเถอะไ ม, ไม่จําเป็น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 ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างทุกวันนี้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่พวกเราในยุคสมัยนี้ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าก็คงจะบัญญัติห้ามภิสษุใช้นั้นห้ามพิกษุใช้นี้นห้ามพิส ษ, ษุทํานั้นห้ามพิสษุนํานี้ก็คงจะมีแต่นี้เราจะบัญญัติขึ้นมาโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้น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 หลักพระธรรมวินัยแล้วก็ยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเป็นแบบฉบับเป็นมาตรฐานในการประพฤติธปฏิบัตินั้นนี่คือพระวินัยใช่เราดูหลายๆอย่างอย่างที่เสยขียวัตรอย่างนี้ผมเคยย้ำอยู่เสมอการอยู่การฉันของพระทำยังไงอันนี้ก็ละเอียดละออ ไม่ฉันทังจับจับไม่ชันัังสูดสูตรไม่ชันเลียยมือไม่ชันเลียริมฝีปากอย่างนี้ในพระวินยัยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแต่พวกเราก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่เราได้อ่านได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วอันนั้นแปลว่าศีลของเราก็บริสุทธิ์ตามหลักพระธรรมวินยัยถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ศึกษาก็ย่างว่า ไม่รู้ว่าการกระทําของเราขาดหลักตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็ขาดศีลศีลขาดไปเรื่อยๆศีลขาดมันไม่ใช่ข้องดีเหมือนกับผ้าขาดผ้าขาดเป็นยังไงผ้าหลุ่งหลิงหมดพระไม่มีศีลคือคือพระผ้าขาดเหมือนกับผ้าขาดจีวรขาดตะบองขาดแล้วไปยังไงนุ่งผ้าขาด พระศีลขาดก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราให้สำรวมระวังศีลคืออาภรณ์ศีลคือผ้าเครื่องนุ่งห่มศีลคืออาภรณ์ก็คือเครื่องปกปิดร่างกายของเราไม่ให้อุจจาดบาดตาสำหรับคนเห็นศีลขาดศีลด่างศีลด่างก็คือผ้าของเราไปถูกกับยางมักตอยยางกล้วยอย่างนั้นอ่ะเออมันด่างตะกงตะกั่งมันก็ไม่น่าดู ว่าสินด่างสินพลอยสินพลอยค่อยๆว่ามันถูกผ้าของร้อนมันถูกยางมะตอยกระเด็นใส่อย่างเนี้ยเป็นจุดดำดำด่างอันนี้ว่าสินพลอยก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันศินทะลุสินทะลุคือมีสินเป็นรูเป็นจุดๆนะข้อนั้นก็ขาดบ้างข้อนี้ก็ขอขาดบ้างอันนี้ประวัยเป็นมันนั้นเป็นรูบ้างตัวนั้นก็เป็นรูบ้าง คือผมสินข้อนี้ก็ขาดอย่างว like ่าเราจะไม่ฉันดังจับๆอย่านี้เราชันเราลองก็ชันดังจับๆซะอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าศินข้อนั้นทะลุละตรงนั้นจุดนั้นเราจะไม่ชันเลียมือเราฉันก็เลียมือซะอย่างนี้สินตรงนั้นก็ขาดไปแล้วเป็นรูแล้วนี่แหละที่ว่าสินทะลุสินเป็นรูแต่ว่าสินขาดคล้ายๆกับว่าขาดสิน ขาดจากการเป็นพระเรียว่าขาดการเป็นอยู่เพราะศีลขาดเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาให้เข้าใจโดยมากผู้ที่จะบวชต่อไปภายภาคหน้าก็จะบวชให้นมนานศีลนี่ควรจะศึกษาเรื่อยๆนะเราจะไปมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้อย่างผมทุกวันนี้ผมก็ยังดูอยู่เรื่อยศีลทบทวนอยู่อย่างศีล น, นวโกวาทอย่างนี้ผมก็พยายามอ่าน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 ให้สวดพระปฏิโมกทุกวันพระอย่างนี้ทุกวันสิบห้าค่ำอย่างนี้กลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนอย่างนี้ท่านทําไมจึงบัญญัติให้ทําอย่างนี้ก็พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเราไม่ใส่ใจพวกเราลืมไปซะไม่ได้สวดปีหนึ่งสองสปีจังมาสวดครั้งหนึ่งอย่างนี้พวกเราเอาจจะหลงลืมหลงลืมศีลผมขนาดเราสวดทุกวันพระ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 อันนี้ก็คือพระภิกษุที่จะดำงรงสงศาสนาอยู่ได้พราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพระบาลีท่านว่าธรรมะวินัยหรือธรรมวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็คือท่านเน้นหนักว่าถ้าว่าภิกษุขาดศีลจ้ะ ศาสนาของตถาคตศาสนาของพุทธะศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะล่อยหลอขาดชะบันลงในช่วงนั้นขณะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าพูดจะทํลายศาสนาของเราให้เสื่อมไปนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรนี่แหละถ้าว่าศาสนาของเราตถาคต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 มอบความไว้วังพระไทยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงกระบอกว่าสากยบุตรพุทธชินนรสคือพระพุทธเจ้ายอมให้เป็นลูกของพระ อ, องค์ให้พวกเราเป็นพระนี่เป็นลูกของพระ อ, องค์สมัยเมื่อสมัยก่อนเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระพุทธองค์พระสงฆ์ไปณถินใดที่ใดคนทั้งหลายว่าสัมมณะสัมมณะ มาจากไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ยอมให้ว่าสมณะสากยบุตรขนาดพระพุทธองค์ยังท่านเป็นพักมหากษัตริย์ตระกูลของกษัตริย์ท่านยังยอมให้พวกเราที่เข้ามาบวชอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยยอมให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นลูกชาวไรชาวนาเป็นลูกต่างระดับพระพุทธองค์ยังให้ยอมให้เป็น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 พระพุทธองค์ก็ยังแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักคุณงามความดีศิลธรรมจริยธรรมการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ทำอย่างไรยังไ ง, ง, ไงพวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนแต่นี้ก็เถอะนะนี่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วแต่ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังยังอยู่ยังอยู่ยยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อ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 พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วสาปีนะตามหลักถ้าผมจำไม่ผิดนะสาปีแล้วท่านก็สร้างท้าวรวัตถุมากที่สุดในประเทศอินเดียยุคสมัยนี้ครับก็ยังเห็นว่าฝีมือของพญาธรรมโสกราชแต่ท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าที่บันทึกพระอัทกถาอาจารย์ในวรุลนหลังๆที่บันทึกเอาไว้ก็ว่าพญาธรรมโสกราชท่านสร้างถ้าวววัตถุไว้ถึง 84% พัน ชิ้นกว่าแปดหื่นสี่พันตัวอย่างอย่างพระเจดีย์อนี้บันทึกเอาไว้ไงอย่างจะทูปอนี้บันทึกเอาไว้หลักศิลาจารึกบันทึกเอาไว้ศาลาอย่างนี้ก็บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้สรุปแล้วก็คือสร้างในขอบเขตสิมาของที่พระองค์ทรงปกครองอยู่นั้นถึง8ป0 0 0ืพันอัน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 การทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเราไม่รักษาตัวเองโดยไมยเ่เจตนาแต่ว่าหลักของพุทธศาสนาแล้วคนอื่นทําให้เสียหายได้เพราะนั้นให้พวกเราให้ระวังระวังสํารวมกายวาจาของเราอย่าให้เกิดความเสียหายให้ตรวจตราไว้อยู่เสมอเราเป็นพระถือว่าเราเป็นพระพระในพระพุทธศาสนา สิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าลิคิดลิทำลิพูดอ่าสินก็คือรักษากายวายาของเราให้เรียบร้อยนั่นนะ่ะสินสมาธิก็ ค, คือความตั้งใจมั่นอ่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารอันนี้ผมมาพูดถึงพญาธรรมโศกราชอีกทีหนึ่งในตระกูลของพญาธรรมโสกร า, การรมสรามีพี่น้องอ่ามีพี่มีน้องมีลูกมีเต่ามีวีวงสกุลกันยังว่าพระบรมวงศสานุวงศ์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 พี่ชายของท่านให้ข้าวบอกไม่ออกพูดออกหน้าออกตาบอกแต่ทํายังไงก็ตามโอ้พี่ชายของเราเนี่ยลุ่มหลงงมงายมัวเมาเอานับถือสัพสมณะหัวโลนก็ไม่มีอะไรปนปือมีอะไรก็ให้สมณะกินหมดเ อ, อสมณะทางหลายมัวเมาเอารุ่มหลงกับการเป็นอยู่ของตนเอง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 ยิงสัตว์ในป่ า, เ, าเที่ยวป่าอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เที่ยวป่าเที่ยวดงพงไพ่ไปเรื่อยท่านก็ไปเห็นลือสีลือสีนี่ก็ตัวพร้อมไม่มีอาหารลือสีท่านก็เพ่งตปาปากหนังหุ่มกระดูกนะสัพังไปด้วยเช่นเอ็นสัพังไปด้วยกระดูกเปีลว่าลือสีท่านอยู่ในป่าท่านที่อยู่ในป่าอาหารก็ยังว่าใบมักเมาเป็นอาหารหลัก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 สัตว์ทั้งหลายเมื่อเราเห็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมีเพศสัมพันธ์กันเราในทุกข์ใจมากคล้ายๆกับว่าเป็นทุกข์กับการมีเพศสัมพันธ์ในสัตว์ในว่า ก, กามกิเลสองท่านลือศีนี่มันกระโดดออกไปทีนี้ท่านไอ้น้องชายของพญาธรรมโสกท่านอโอ้โหขนาดลือศีสะพังโดยเส้นเอ็นขนาดนี้ยัง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 พญาธรรมโศกราชเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีเอ้เราจะสอนน้องชายเรายังไงเอ่อทำไมเขาเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดอย่างหนึ่งเขาก็ว่าเขาเห็นถูกนะ่ะเออขนาดลือศีสะพรังเราไปด้วยเส้นเอ็นก็ยังกา ม, มกิเลสมันยังเหยียบย่าทําลายหัวใจของลือศีอยู่ในป่าดงพงไพ่ก็ไม่เห็นว่าเป็นศีวิรษยอะไรก็เป็นสัตว์ที่รักชานอีกต่างหากที่มันสมสู่กันแต่ทําไมลือศีจึงเป็นทุกข์ อกทุกใจกับสัตว์เหล่านั้นนะทีนี้พระยาธรรมโศกราชจะเอาอยัางไงที่จะสอนน้องชายให้รู้จักจากนั้นมาพระยาธรรมโสกราชก็หาวิธีเส อ, อแนะนําอํามาตย์ราชสเวกให้ไปเกลี้ยกล่อมน้องชายว่าเนี่ยพระยาธรรมโศกราชมีอายุแก่มากแล้วต่อไปถ้าเผื่อท่านตายปุปปับขึ้นไปเนี่ย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 ลิวลอ้อทางหลายก็พยายามพูดหลายครั้งต่อหลายหนจนใจอ่อนเลยะแต่งนั้นก็ทดลองดูก็ได้นะเพราะตัวเองก็อยากอยู่แล้วในใจใช่ไหมใช่กิเลสตัวนี้มันความอยากมักใหญ่ไฟสูงมันมีอยู่แล้วในใจของมนุษย์ชาติเหมางนั้นเถอะตอนนี้ท่านก็เอาแต่งตัวขึ้นมากดใส่ชุดพระราชาขึ้นมาพระราชาเทียมอย่างนั้นเถอะจากนั้นก็ใส่แหมพระแสงขันพระแสงดาบ เออใส่เต็มยศเลยงั้นเถอะเหมือนกับพระราชาพระราชาเทียมว่างั้นเถอพระราชาขึ้นมาเพื่อเื่อทดลองดูว่าท่าทางจะเข้าท่าไหมลักษณะนะั้นในช่วงที่กําลังแต่งตัวเต็มยศอยู่นั้นนะ่ะเขาก็ไปกระชิบพระเจ้าธรรมสุขพระเจ้าพี่ท่า น, น่พระเจ้าพี่ก็มาเดินเข้ามาทั้งที่ยังไม่ได้เตรียมตัวทางนี้ว่างั้น พระเจ้าพี่ก็เดินดุ่มเข้ามาก็มาเห็นน้องชายแต่งองค์ทรงยศขึ้นมาพญาธรรมโสกอ้าวเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่ตายเอยังไม่สวรรคตเนี่ยจะแย่งได้ ส, สมบัติเลยเนี่ยพชษกดมนเทียนบานจับมหาดเลยก็จับทันทีเลยโอ้หน้าซ้อยงอยเงาเลยท่นเน่แต่เน้ก็พอจับเสร็จแล้วก็เอาขึ้น สารวินิจฉัยได้นี้ไอนถ้าทำอย่างนี้แปลว่าผิดกฎบนเทียนบานอย่างร้ายแรงโทษประหารลูกเดียวโทษประหารลูกเดียวผลที่สุดก็จะตัดสินละประหารแต่ไหนประหารน้องชายผู้แม่ไม่รู้อะไรโอ้ยลูกเอ้ถ้าว่าจะประหารน้องจริงจริงก็ขอให้เขาคลองลาดให้เขาของราชเกจวันโดยเธอที่เขาทำอย่างนั้นก่อ เขาก็คิดว่าในอนาคตเขาจะได้ครองเมื่อนพื่เจ้าพี่สวรรคตไปแล้วพระยาธรรมโสดาเอา้าวดังนั้นก็ได้อ่าดังั้นก็เอา้าให้ครองราชตอนนี้ถ้าก็ให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดวัอแต่ทหารมหาดเล็กอะไรพร้อมรอบหมดว่างั้นจะจะสั่งการอะไรออยู่ในกรอบว่างั้นจะไม่ใช่ว่าจะสั่งการให้จับพระเจ้าธรรมโสดไม่ได้ว่างั้นจะ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 สนมกำรรนันนางฟ้อนนางรํามาขับสีตีเป่าให้แก่พระเจ้าเป็นดินครองราชเจ็ดวั น, เ, นเอาอย่างเต็มเหนี่ยวว่างั้นแต่พอกลางคืนนั่นแหะสนุกสนานแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ยพระเจ้าเป็นดินใหม่เนี่ยคอตกตลอดเวลาค อ, อตกตลอดเวลา ไม่สนุกสนานกับเขาเลยวางั้นเถอะเพราะเหตุไรเพราะคิดวันอีกเจ็ดวันข้างหน้านี่ต้องตัดคอเราแน่ดาบต้องตัดคอเราทันีีพอถึงตอนเช้าได้เวลาหกโมงเพชฌฆาตก็เปิดม่านที่มีม่านกลั้นนะพร้อมกำกัดใช้กังสดานที่เสียงกล้าวเสียงห้าวเนเคาะประลองปองปา ง, ง, งขึ้นมาแล็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 ยกดาพร้อมกันท่านคลองราชเป็นวันที่สองแล้วพระเจ้าข่าปิดไปอีกสนุกสนัน้นเพิ่เพลินเฮฮาอีกออจนถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไปว่าโอโ้ใจไม่อยู่กนเนื้อกับตัวเลยทนนี้ทนี้พญาธรรมโศกราชท่านก็เห็นว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเทวาถามเรียกน้องชายเข้าไปอา้าวหมดแล้วท่นี้ปลดออกจากพระเจ้าแผ่นดินแหละเป็น น้องชายธรรมดาล่ะไม่ใช่ปรดกริย์ออกแล้วพยาธรรมโศกถามน้องชายมาน้องออนุชาไปยังไงที่คองราชเจ็ดวันนะมีความสุขสบายดีใช่ไหมตั้งน้องชายทั้งพูดทั้งสั่นด้วยนะ่เพราะมันจะต้องถูกตัดคอด้วยนะไม่พระเจ้าขา่าหาความสุขไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าความตาย ข้าพระ อ, องค์คิดถึงความตายที่จะมาถึงจะตัดคอในวันที่เจ็อยู่แล้วข้าพระ อ, องค์หาความสุขไม่ได้ทุกประการถึงจะมีออบันเลงเพลงออดนตรีประคับประคมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุราทั้งนาลีข้าพระ อ, องค์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้แตะเลยเพราะว่าใจไม่ออกไปปฏิพัติในสิ่งเหล่านั้นเลย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 อาหารอุดมสมบูรณ์อย่างพระเจ้าพี่เลี้ยงแล้วจะไม่ให้เกิดการเมื่อเลสได้อย่างไรอันนี้น้องได้คิดไหมในเรื่องนี้ถ้าว่าพระสงฆ์และลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระพุทธองค์บอกว่าให้แลลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออก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 ที่ว่าจะต้องตายภายในเจดวันการมกิเลตตัวนี้ไม่ลู้หายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นข้าพระองค์เชื่อว่าภิกษุองค์ใดก็ตามระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหรือระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอการมกิเลส ต, ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ลูกนั้นพระเจ้าค่าอย่างนี้จําไว้ถ้าว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, ยาแล้วการมกิเลส ต, ตัวนี้ จะไม่เกิดขึ้นถ้าว่าพระสงฆ์ปล่อยจิตปล่อยใจมันเป็นพิรุธปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นก็เป็นอย่างที่เธอพูดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเอาเธอนะอันนี้เราเป็นการสอนเธอเท่านั้นละ่ะเราจะยกโทษให้จะไม่ประหารยกโทษให้น้องชายก็ลุ่งนั่งคุกเข่าก้มกราบพระเจ้าพี่จากนั้นเขาบอกว่า ข้าพระ อ, องค์จะขอบวชในพระพุทธศาสนาตลอดไปจะไม่ยินดีในการครองครวัตจังนั้นท่านก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาพอบวชไม่นานท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต์นะนี่แหละที่ผมพูดเบื้องต้นว่านิสัยมักผลนิพพานอยู่ในพระอนุชาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ททำให้ลุ่มหลงมัวเมาถึงขนาดนั้น แต่นี้ถ้าว่าไม่ได้พี่ชายสอนให้ชัดเจนสอนให้ถูกทางนะท่านอาจจะคงจะลุ่มหลงนะไปได้ยาวนานทีเดียวเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ยกสาธิตเรื่องธรรมนะวินัยเบื้องแรกก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับวินัยการเป็นอยู่ของวินัยนะจากนั้นก็มาพูดถึงธรรมแนวความคิดที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย เรื่องกา ร, รมกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นสําคัญอย่างมากพระที่จะอยู่ในศาสนาต่อไปได้หรือไม่ได้จุดนี้เป็นจุดที่หักเหมากที่เดียวถาว่าใครท่านผู้ใดก็ตามตัดกิเลสตัวนี้ได้ออกจา ก, ก จ, จิตใจตัวราคะตัวราคะกับตัวโทสะเนี่ยมันจะกระเด็นไปพร้อมกันยังเหลือแต่ตัวโมหะคือความหลง ตัวราคากับตัวโทสะมันจะกระเด็นออกจา ก, กจิตใจพร้อมกันก็นกนคือพระอนาคามีถ้าว่าตัดออกแล้วพระอนาคามีตายแล้วจะไม่ลงมาเกิดในพื้นมนุษย์อีกอยู่ในสัตว์ในสุทธวาสหชั้นอวิหาอัตปาสุตสาสุสีสสกนิษฐาจะไม่ลงมาเกิดอืพร้อมที่จะเข้าสู่พระนิพพานไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีก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 ของท่านพญาธรรมโศกราชนะ อ, อแล้วการ ม, มากิเลสตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกเราเนึกๆนวน ก, น ก, นกลับตานึกๆดูอย่างที่ผมได้กล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเป็นอ อ, อย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมางั้นแต่เนี่ยนี่คือเป็นแนวแถวที่พวกเราให้พวกเราได้ศึกษาได้คิด จากนั้นก็พวกเราก็จะได้เดินตามพระธรรมคำสั่งสอนอย่างอื่นต่อไปนะในการพูดในวันนี้ก็รู้สึกว่าพูดได้ยาวเพื่อเป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระที่จะดำงรงรงศน์ศาสนาให้อยู่นานเท่านานควรจะคิดยังไงในใจแล้วก็พูดยังไงการพูดออกไปและทำยังไงในการกระทำ สรุปแล้วก็คือกายวาจาจใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสงควรต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก